เรียนรู้เรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องที่เราศึกษามาศึกษามาเราก็ต้องเรียนรู้ที่นี่พอไปถึงเอาหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสมาอ่านถอยเลยเห็นไหมยาขมถอยเลยเให้หนังสือไปก็กรับด้วยความเกรงใจ แอบอ่านไม่รู้เรื่ อ, ง, องนี่เยอะแยะอย่างนี้ไอนี้ไอ้นี้เราเรียนรู้เรื่องทุกขเป็นยังไงเหตุให้เกิดทุกเป็นยังไงความดับทุกโอนทางให้ถึงความดับทุกขเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์จักรู้ทีนี้เราเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นผูถุชนผูถทุชนคือคนที่หนาด้วยกิเลส อันนั้นก็อยากอันนี้ก็ยากอโน่นก็อยากแต่ไปลงที่เงินทองทางนั้นเลยเพราะว่าเงินทองเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้นะพระพุทธเจ้าเป็นพระราชามหากรศัตรย์ได้ลงมานอนบนพื้นดินฉันอาหารเฉยวิอาหารแบบของชาวบ้านทําไมพระองค์ทําได้ นี่เป็นการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นท่านอาจารย์พุทธตาท่านบอกว่าจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างเวลาไปทํางานให้จับมีดจับพระอะไรเนี่ยต้องภาวนาไว้ว่าจิตว่างจิตว่างจิตว่างอย่าไปมีกูมีกูแล้วมันทําอะไรไม่เป็นสักอย่างหนึ่ง พาบอกว่าปลูกพริกโอ้เล็บกูเสียหมดเลยอย่างนี้เนี่เห็นไหมนั่นเนี่ยก็ว่าหยิบโยงหยิบโยงถ้าอย่างนั้นแล้วจะรู้ได้อย่างไงเราไม่ได้เรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างทุกอย่างเราจะต้องเรียนรู้อให้ไปถางป่าพอถ า, างป่าเราโยมชีรู้ไหมว่าที่ตรงนั้นเขาจะอาเป็นหมื่นนั่นน่ะ แ้วเราทำเอง2องถามวันก็จบแล้วไม่ต้องแจยเงินเป็นหมื่นแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกแหละหลวงพ่อจะบอกให้ว่าหลวงพ่อมาทำที่วัดนี้ เ, เงินไม่มีทองไม่มีมีแต่สมองอย่างเดียวมือนี่แข็งกระด้างจึงกวาดเท้าเทอีกนั่นจะลลำบากมา พระพุทธเจ้ายัางนอนมามาอ่ามาประทับนอนบนพื้นดินได้แล้วพอที่หลังเป็นยังไงพระราชาหม า, หากระสัดทั้งหลายก็ต้องเอาพระองค์เป็นครูบาอาจารย์นี่เราจะต้องศึกษาเป็นธรรมะทางนั้นเลยทุกอย่างเป็นธรรมะทางนั้นใจนี่ต้องสู้ถ้าไม่สู้ไม่ได้ต้องเข้มแข็ง หลวงพ่อลงไปบินบาบดได้ประทูมาตัวหนึ่งขึ้นก็ลำบากลงก็ลำบากทางเดินก็ไม่มีเงินสร้างไม่มีเงินทํามานั่งกลางทางพอนั่งกลางกลางนั่งคิดว่าเออเราน่าจะฉันที่ตรงนี้อ้ามคิดเด็ดขาดอย่างนั้น ก็เลยสอนใจของตัวเองว่าถ้าคิดอย่างนี้คว้างทั้งบาต ท, ทั้งข้าทั้งประทูตัวนั้นเนี่ยลงให้กลิ้งออกไปข้างล่างเลยไม่ต้องฉันห้ามคิดอย่างนี้เป็นอันขาดเห็นไหมนั่นแหละมันคิดสบายแล้วก้าวก้าวข้างตัวแล้วไอหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกชาวนาแต่พอโตขึ้นมาก็ไปอยู่ในเมืองในเมืองเป็นพระเป็นเนรก็อยู่ในเมือง เราต้องข้างนอกเป็นยังไงเราก็ปรับตัวได้ในบ้านในเมืองเป็นยังไงเราก็ปรับตัวได้ต้องไงรู้ทิศทางรู้ทิศทางของเราเนในยุคของเราต่อไปแต่เราไม่ตายกันเช่นก่อนควายฟ้าไม่มีเมื่อควายฟ้าไม่มีคนคงจะตายกันเยอะแหละเพราะหงก้าไม่เป็นเอ้ยนี่หลวงพ่อนะก้าก็หงเป็น กับก้าวก็ทําเป็นเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้มาทุกอย่างที่มันขวางหน้านะฉะนั้นอย่าไปโยดท้อเราจะรู้เรื่องความว่างไม่ใช่ไปถึงจับแล้วเอาไม่ใส่ปากเลยมันไม่ได้หลวงพ่อเดินบินดาบตามถนนข้างหลังนั่นแหละว่าก่อนพอระเบิดเสร็จแล้วก็เดินไปบินบาบตลาดตีตลาด ก็เห็นก้อนเล็กๆที่มันแหลมแหลมมาก็ต่ําเท้าตาเท้าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดึงออกเสียคิดถึงใครคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นราชาม า, ากษัตริย์พระองค์ก็มาเดินเหยียบหนามอยู่อย่างนี้อย่างนี้เราเป็นอะไรเราปฏิบัติเพื่อที่จะไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไร ให้เราไม่เป็นอะไรอะไรก็ไม่เป็นอะไรก็คือจิตนั่นแหละจิตไม่เป็นอะไรจิตเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนมันก็ไม่มีตัวตนด้วยคือจิตว่างนั่นะจิตที่ไม่เป็นอะไรเราต้องการที่จะมาพบว่าจิตว่างเป็นยังไงงรามาปฏิบัติเสร็จแล้วแต่เราโย้ท้อกิเลสมันหัวเราะเยาะเลยตาอย่างนั้นงี้หลวงพ่อ ถาวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าแลวขึ้นมาอยู่บนภูเขานี้ยอมตายบนภูเขานี้แหละตายบนภูเขานี้หีบศพก็ทำไว้แล้วไม้ก็ปลูกเองอะไรก็ปลูกเองยังไงก็ทาหีบศพล้วรอไว้แล้ ว, ว, ลวที่ใส่กระดูกก็ทำไว้แล้วแล้วก็ที่เอากี่เท้ากี๊เท้าว่าใส่ตรงไหนตรงไหนนี่ก็บอ ก, กบเอาไว้แล้ว นี่ถ้าไปกลัวมันทําไมอ่ะฉะนั้นชีวิตนี้เราต้องรู้ใครเป็นคนรู้พลังที่เราภาวนานี่ยแหละเราภาวนาแล้วมันก็จะเกิดปัญญาว่างให้จิตเนีว่างจากความยึดมัน่นถือมันทั้งปวงปัญหาทุกอย่างเราแก้ได้เราแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้วบนนี้เราไม่ต้องอยู่กันเราหลวงพ่อเนี่พน ผลแก้ล่วงหน้ามาแล้วนิดเดียวงานนั้นนิดเดียวอ้าวยอมเคยปลูกพลิกไหมไม่เคยปลูกพลิกมเขือเคยปลูกไหมไม่เคยหลวงพ่อผ่านมาหมดแล้วของอย่างนี้คือเรียกว่าเราต้องหาประสบการณ์ตอนเด็กๆอายุห้าหกขวบโอ้ปลูกมะละกอดีปลาดีกว่าเห็นมันอร่อยปลูกมะละกอ ต้นเท่าปลายก้อยได้เสจ็จแล้วเป็นยังไงเพราะว่าทุ้งนามะละกอมันก็ไม่ชอบน้ําแล้วพอเช้าเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปนั่งคว้าต้นม ะ, ะกอนั้น่ะไปนั่งคว้านั่งคว้านั่งคว้าวารึกษายอยู่ลงตายที่สุดลงเอ่ยด้วยตายรากเน่าเราได้เรียนรู้แล้วเอาทีนี้ตอนกลางคืนเดือนหายเราต้องเรียนรู้อีกเรียนรู้อา เพราะว่าเรือนมันมีสองหลังที่ตรงกลางมันเป็นนอกฌานก็เอาเสื่อมานอนแบบนอ้อนนอนนอนดูดวงดาวนอนดูดวงจันท์ดวงจันท์นี่อะไรนี่มันอยากจะเรียนรู้ทั้งทุกอย่างต้องเรียนรู้ทั้งดวงจันท์นี่คืออะไรแต่แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนรู้ จนรู้จนพอนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์จนจนกนขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์พอมันอยากรู้นั่นแหละแต่ว่ามันเลยเถิดไปมันจะมีอะไรอยู่บนบนดวงจันทร์จะมีอะไร น, น ะ, ะ, รนะขึ้นไปบนดวงจันทร์พอเสร็แล้วกลับมาดับทุกข์ได้ไหมไม่ได้เสียเงินไปเท่าไหร่เป็นร้อยเป็นพันพันล้านแต่เราก็ไม่รู้นี่ แล้วไอ้คนที่เ็ามีความทุกข์ไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรใช้ในโลกนี้มีเท่าไหร่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือขอแล้วไม่ดีกว่าหรืออย่างนี้เห็นไหมหลวงพ่อตอนที่เป็นเนนแล้วในกุฏิเล็กๆที่อาเภอระโนดนอยู่ใกล้าอาเภอเตื่นขึ้นมากลางดึกออกมาปัดสาวะห้องทั่วมไม่มีแร้วเมื่อก่อนนะวัด มีพระห้าสีหกห้าสิบหกสิบช่วงส่วนกลางส่วนกลางช่วงส่วนกลางนั้นก็มีเสาถูงถูงเนต้น้ำก็อยู่ในคู ใ, นใครจะไปถ่ายก็ตักน้ำในคูไปหนึ่งตังกองพ่อเอออร่อยมันมีแต่หนอนยุบยับยุบยับเต็มไปหมดข้างล่างแล้วมันโกงเป็นประเนินเทินทึก แต่ไอเด็กโง่คนนี้ชวนเพื่อนสามเณรด้วยการหัวกี้กลากหัวกี้กลากก็เออนี่เนธเราร่างท่วมกันดีกว่าวันนี้ทำยังไงทีเนี่ยเห็นว่าเขาทำไม้ทาไม้ทานั่นเป็นไม้ที่เขาเขาทำสวนเขาเอาไม้กระดานแบนๆเจาะรูแล้วก็ อาไม้กลมๆใส่เข้าไปตะปูตีเข้าไปทำยังไงเราก็คราดออกมาคราดออกมากดลุมข้างนอกระาดออกมาคราดออกม า, าอพ อ, ม อ, มอหมดแล้วเราก็ตักน้ําลาดร้างล้างล้างนี่แนนคนนี้ทํามาแล้วไม่ต้องมีใครใช้ทําได้โยงกล้าไหมโยงจีนี่กล้าไหมอย่างนั้นนะถ้าเป็นหลวงปู่กล้าไหม ไปนอนในป่าชาคนเดียวกดเตะทำกับไม้กระดานหีบจบทังนั้นเดินไปประมาณห้าร้อยเมตรจากจากที่ในวัดไปถึงป่าชาทุกคืนต้องเดินอย่างนั้นต้องมาเทศหนังสือกันตอนที่เรียนปสามออกกลับไปประมาณสามทุ่ม แล้วเดินผ่านป่าช้าอีกทำยังไงทีเนี้ยต้องหาทางออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพ อ, อไปถึงกุฏิย่างขึ้นไปบนนอกชานมันมืดต้งมือไปคลำคลำคลำคลำคลำประตูออประตูอยู่ตรงไหนนี่แล้วแต่แล้วพอเจอประตูก็ ร, รีบเข้าปิดประตูอืม กลัวผีแต่ว่าไม่กลัวจนตึงขนาดขึ้นสมองหรอกก็ทำได้นี่เนนคนนี้จะผ่านอะไรมามากมายผ่านมามากมายจนกว่ามาเป็นพระมาเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องผ่านงานเยอะแย ะ, ะทีนี้เป็นยังไงตอนคือตอนที่มาสร้างมาทำทีนี้ ไม่ต้องพูดไอ้ลำบากนะมันคืออะไรไม่ต้องพูดถึงจากนั้นถ้าเราสบายจะก่อนจะลำบากตีหลังนี่ถ้าเราลำบากจะก่อนตีหลังก็สบายแต่มันก็ไม่ได้สบายหรอกอย่างเดียวนี้งานมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นงานก็คือเรื่องการก่อสร้างเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้หยุดไม่ได้ หยุดไม่ได้ไปไกลขนาดไหนก็ต้องไปเมื่อเขานิมนต์แล้วต้องไปนี่แหละเราต้องลำบากมากกว่าก็อิฐเอาปลาไปกันน้ำตรองตราบต้นอย่างนี้น้อยมันน้อยมากมันน้อยมากอย่างนั้นฉะนั้นต้องทําจิตว่างแล้วเราก็จะมีปัญญาเราจะมีปัญญาเราจะแก้ปัญหาอย่างไงจิตว่างนั่นแหละคือจิตฉลาดจะแก้ปัญหาได้ ถ้าจิตไม่ว่างเนี่ยทาอะไรไม่ได้เลยชีวิตนี้ทําก็ไม่ได้ดีแล้วอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบแต่อันนี้มันฝากบังคับมาอยู่ที่นี้ต้องให้ได้ประสบการณ์ไปแต่ได้ไม่ได้ประสบการณ์รรรอย่างนี้ไปก็ชื่อว่าไม่สําเร็จในการที่เรามาบวชดังนั้นเราต้องจริงคือทุกอย่างต้องจริงกวาดขยะก็ไม่เกลี้ยงอะไรตัว๋วล้างจานก็ไม่เกลี้ยง ไม่ประสบความสําเร็จอยู่บ้านไม่เคยล้างจานเลยตํากับข้าวก็ไม่เคยเลยขงข้าวก็ไม่ได้ได้อย่างนี้ไม่ไหวอย่าหวังเลยพระนิพพานในชาตินี้ชาติต่อๆไปต่อๆไปร้อยชาติปันชาติไม่รู้อะไรนี่แหละดังนั้นลองหนักแน่นทําอะไรต้องทําจิตให้หนักแน่นจิตที่หนักแน่นคือจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาจิตของพระพุทธเจ้า อ่กัอรตั้นอยู่กับความว่างเวลามีเวลาพระองค์ให้เวลากับตัวเองก็ข้าไปในป่าข้าไปในป่าก็าาาเดินจงกรมเดินกับใครเดินกับความว่างนั่งกับใครนั่งกับความว่างขณะที่พระองค์เดินจงกรมอยู่มีพิจุรูปหนึ่งไปข้างหลังเกลือไปดูว่าพระพุทธเจ้า พ, พระองค์อยู่อย่างไรก็ เ, เลย ไปโทนถามว่าพระองค์ออยู่กับอะไรพระองค์ก็กลัดว่าเราอยู่กับความว่างเดินว่างว่างคือเดินจ ouais ิตว่างจิตว่างจิตว่างจิตว่างนั่งก็จิตว่างนอนก็จิตว่างแล้วอยู่กับความว่างความว่างคือจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละทำอะไรก็ทําไปแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมีอะไรก็มีไปแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่น รวยเงินรวยทองรวยก้าวรวยของเต็มห้องหมดสมุดเต็มห้องเต็มที่ตรงนี้หมดเงินทองเต็มหมดแต่คนที่ไม่ยึดมั่นถือมันจะไม่มีความทุกข์เลยคนที่ยึดมั่นถือมันเห็นอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอนโน้นก็ของกูเงินก็ของกูทองก็ของกูทรัพย์สมบัติของกูหมดนั่นไงคือเป็นโรคเป็นโรคยึดมั่นถือมั่น โรคทางจิตต่อไปก็เป็นโรคทางกายโรคประ ส, สาทนี่มันจะเป็นอย่างนั้นทางนั้นเป็นโรคประ ส, สาทนี่นี้เราจะเอาอยัางไงแต่ว่าถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นเพราะจิตที่มันเกลี้ยงเกลาไม่ยึดถืออะไรจิตในจิตนั้นเบาสบายเบาสบายไม่กล้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเบาสบายนี่ นี่เราจะเอาอะไรมาอยู่สำนักนี้ก็เอาธรรมะอย่างเดียวอย่างอื่นไม่รู้จะเอะไรีหลวงพ่อก็ให้แต่ธรรมะธรรมะธรรมะเนี่ยทุน ญ, ญาตาวิหารที่เราก้าไปนั่งทำวัดนั่งสมาธิเนี่ยทุน ญ, ญาตาแปลว่าว่างวิหารแปลว่าอยู่เนี่ยอยู่กับความว่างคืออยู่กับความไม่ยึดมั่นเดือมัน่นนั่นแหละคือว่างว่างความยึดมั่นเดือมัน ทีนี้เราก็ต้องภาวนาทีทีให้ทีทีข้าวทำงานทำว่างวงทำว่างว่างทำว่างว่างทำ่าว่างทำว่างว่าทำว่างว่างฉันก็ฉันว่างว่างเกี้ยวก็เกี้ยวว่างว่างเกี้ยวว่างว่างเกี้ยวนี่แหละถ้าวันหนึ่งเราจะได้เข้าใจว่าความว่างนี่คืออะไรมันจะเว็บขึ้นมาพอเว็บขึ้นมานี่มันค่อยๆขยายทีนี่ขยาย ขยายจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่างจากตัวตนทางนั้นและว่างจากความยึดมั่นถือมันเราจะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรดังนั้นเราอยู่แต่ละวันเนี่ยอย่าให้กิเลสตัณหานั้นมันมาควบคุมเราเราต้องควบคุมจิตเนี่แหละทํางานด้วยจิตว่างอยู่ด้วยจิตว่างเดินด้วยจิตว่างนั่งด้วยจิตว่าง ทุกอย่างนี่คือยาวิเศษของพระพุทธเจ้าที่พระองค์จัดรู้พระองค์ก็ได้สิ่งนี้มาพราะฉะนั้นเราทํางานด้วยจิตว่างเราอยู่บ้านเราก็ทําด้วยจิตว่างทําโรงงานทาเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ทำด้วยจิตว่างคือทําด้วยจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญามีปัญหาอะไรเราก็แก้ได้ ไม่ใช่เไ ป, ไปทํางานตรงนั้นไม่เอาย้ายอื่นทํางานตรงนั้นอีกย้ายอีกทางานตรงนั้นอย้ายอีกโอ้ย้ายกันเลยในโลกนี้ตามด้วยจิตว่างทีนี้จิตว่างนี้ไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมัน่นเงินทองที่เรามีก้าวกลองที่เรามีที่อยู่ในบ้านในช่องเราเราก็ยึดมั่นถือมัน่นทีนี้พอไม่ใช่เงินทอง เรามีลูกมีหลานมีอะไรต่อไปโอ้มันยึดมั่นได้หมดมันประโยชน์ไมริกาเราก็เป็นทุกกับมันได้เรายึดมั่นถือมั่นอะไรก็เราเป็นทุกขกับมันได้หมดนี่โรคที่มันกําลังก่อกินเราอยู่ตอนนี้คือโรคแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี่จะนั้นย่าวก้าวไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกู แม้แต่ร่างกายเองก็ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูมันมันไหลไปตามกฎของธรรมชาตินี่แต่ในจิตเองก็ไม่ใช่เป็นตัวกูไม่ใช่เป็นของกูเป็นธรรมชาติดังนั้นเลยนี่ให้เราไปนั่งแล้วก็พิจารณาดูว่านี่โรคนี้้โรคยึดมัน่นถือมั่นนี่มันกินสัตว์ตั้งโลกเลยนอกจากผู้ที่ปฏิบัติตามถึงจุดเท่านั้น มันจะกินไม่ได้แม้แต่เวลาก็กินเราเช่นเวลากลางวันกลางคื น, นมันจะกินเรากินชีวิตของเราหมดเลยก็เราไม่รู้ตาวตันมันที น, นี้เราต้องรู้ไอ้เวลามันอะไรเนี่ยเวลามันอะไรที่มันมากินเราฉะนั้นเขาจะทำ้าพบอกว่าภาปฏิจจ ata มกบาบาทมีนางยักษ์เกี่ยวโกงเงน้ย กินสปัสสัหมดกินทุกว you ันกลืนก็ไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเวลามันจะกลืนกินทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าก็ทาเป็นนางยักษ์แต่เวลาเป็นอะไรเวลามันไม่ใช่ของจริงตามที่จริงจริงยังไงนักวิทยาศาสตร์จะเล่นกระนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นไปบนอากาศไปดวงดาวไปดวงจันร์ดาวอังคารอย่างเนี้ยเป็นยังไงทีนี้ย ยกไปตั้งยาเลยไปไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารอยู่กลางอวาากาศและดูโลกนี้ดูมาอย่างโลกนี้โลกนี้เป็นสีน้ําเงินอ่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นก็มองเห็นชัดเจนแต่กลางคืนก็มืดมเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะโลกมันหมนุนโลกมันหมนุน ก้าวหาดวงอาทิตย์บนก้าหาดวงอาทิตย์เป็นกลางวันว่มันบังตัวมันเองเป็นกลางคืนมันของจริงที่ไหนโลกนี้ก็ไม่ใช่ของจริงจริงที่ไหนแต่นี่ว่ามันไม่จริงได้เวลามันจะจริงได้ยังไงเวลาก็ไม่ใช่ของจริงโลกนี้ก็ไม่ใช่ของจริงตัวเราเองก็ไม่ใช่ของจริงจิตเองก็ไม่ใช่ของจริงไม่มีอะไรจริงเลย ยึดมั่นถึงมันอะไรไม่ได้เห็นไหมนี่แหละวิทยาศาสตร์ก็จเจริญแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เรียนรู้สิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องรู้แต่ที่รู้แล้วดับทุกได้ไหมถ้าดับทุกไม่ได้เหลวทางนั้นเหลวทางนั้นแต่วิชาของพระพุทธเจ้านี่ที่หลวงพ่อออกมาสอนนี่เอามาปฏิบัติเนี่ยวิชาของพระพุทธเจ้ากันได้ ความเกิดความรู้สึกว่าตัวกูกันได้อย่ามีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูเป็นของกูมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งมันเกิดดับแต่มันใช้เวลาห้ิบปีหกสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีนั้นเวลามันไม่ใช่ของจริงเว่าเวลาไม่ใช่ของจริงและตัวเราเนี่ยมันเป็นของจริงที่ไหนมันไปตามอํานาจของเวลาถ้าใครปฏิบัติแล้วเห็นอริยสัจสเห็นกันหน้าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เห็นความว่าง ไม่ต้องตายคนนั้นอยู่เหนือโลกอยู่เหนือเวลาอยู่เหนือจักรวาลนี่จะอยู่เหนือจิตนั่นจะอยู่เนือเพราะจิตนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งกินเลิกความยึดมั่นถือมันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันแล้วมีความสงบเย็นโลกนี้มันจะเป็นยังไงจักรวาลมันจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพร้วกงไม่ยึดมั่นถือมันเนี่ยฉะนั้นไอ้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ดีอะไรก็ดี นั่นเป็นเครื่องพิสูจน์พราเราจะรู้ไหวไหมหลวงพ่อเวลาความดันมันขึ้นใช้ไม้เท้า2องอันหลวงพ่อก็ไม่ได้อยอด้อเออทำไมมันมาเจ็บที่กูมันเจ็บไปเถอกูเดินได้กูกดเดินขึ้นไปบอนโน้ตไปดูงานอต้องไปไม่เกี่ยวแต่ถ้าใครอยู่กับจิตว่างคนนั้นความแก่เข้าไม่ถึงจิต ความเจ็บความตายข้าวไม่ถึงจิตผู้นั้นนี่เพราะก็จิตของไม่ยึดมั่นถือมัน่นไปแล้ว ไ, ไม่ยึดมั่นถือมันแม้แต่ตายก็ก็ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นจะอะไรฉะนั้นเราต้องฉลาดมาอยู่ที่นี่จะต้องฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็ท่องให้มากๆากท่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือว่างจากความยึดมั่นถือมันว่าจิตนี้เป็นตัวกูเป็นของกูถ้าจิตนี้ สลาดขึ้นไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไอ้เรื่องความแก่ความเจ็บก็เป็นเรื่องเล็กมากเรื่องเล็กมากก็ไม่กลัวตายก็ก็ยังไม่กลัวเลยนี่แค่ดังถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าโดยแท้แต่ถ้าเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราก็เป็นลูกศิษย์ของพยา ม, มานมันมากอยพาร้วประโลมเราอยู่นั้นเลยนี่จนันทรนให้จริง ให้จริงก็แล้วกันใ้เราจริงทำอะไรทำจริงกวาดกระยาก็กว่าได้เกลี้ยงปลวกพริกก็ทำให้เรียบร้อยสามวันตายแล้วก็ไม่ลดน้ำเออบางทีก็เอารดมากเกินไปมันก็ทุ่ไม่ไหวตายก็ว่าจมน้าตายนี่เราต้องศึกษาทุกอย่างทุกอย่างเราต้องศึกษานี่เป็นสถานที่ศึกษาในเรื่องของทางจิตฉะนั้น โยมสู้ไปข้างหน้าโยมจีทุกคนต้องสู้ไปข้างหน้าไม่กลัวเราลูกจิตของพระพุทธเจ้ากลัวไม่ได้ถ้ากลัวแล้วปะยญญานมมาเข้าสิงเราเราก็อ่อนแอหมดถ้าจิตอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอถ้าจิตไม่อ่อนแอจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็สู้ได้สู้ได้ทั้งนั้นเราซึกออกไ ป, ปนี่ปัญหาของเรามีเยอะแยะต่อไปเราออกไป ก็มีปัญหามากมายที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อนร่วมงานของเราเอ้ยอะไรเอ้ยดังนั้นเนี่ยมีแอร์อสเตดคนหนึ่งเวลาหลวงพ่อไปกรุงเทพแกมีเวลาแกก็มารับแบบมาทังคยถามว่าเป็นยังไงตอนนี้บอกโอ้ตอนนี้สู้ได้ตอนนี้สู้ได้นนไดเพื่อนร่วม ง, งานก็สู้ได้ไม่ใช่สู้นนั้ไปจกไปต่อยเขาแต่เมตตาให้เขาอะไรให้เขา เขาเป็นตรูกับเราเราก็แผ่เมตตาอย่างมันไม่เป็นไรแผ่เท่าไรก็แฝ่ไปมันไม่หมดหรอกไม่นานก็ก็มาดีกับเราไม่ดีกับเราก็ต่างคนต่างก็แยกทางกันกับเพื่อนก็ดีไม้แต่สามีภรรยานี่มันต้องแยกกันทางนั้นไม่ตายก็ต้องแยกตายแ้วก็ต้องแยกนี่มันมีแต่ปัญหาฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญหาเราอะไรไป แก้ปัญหา่เราไม่มีปัญญาเต้องสู้ชีวิตนี้ต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้แต่เอาอะไรไปสู้เครื่องมือของเราก็คือธรรมะเราปฏิบัติทําให้ถึงธรรมให้ถึงธรรมให้เป็นธรรมชาติแล้วเราก็สู้ไหวสู้ไหวนี่ปฏิบัติกันไปเจอะปัญหาจะต่อไปมันก็อ่อนแรงไปเองแต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เลยอ่อนแรงไปเองเหมือนกัน อ๋อจบตอนนี้วันนี้เนออาจารย